เญรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่21กุมพาพันพุทธศักราชสองพราสิบเป็นวันธรรมมัชย์วัะเป็นวันฟังธรรมเป็นวันที่สาธุชนพุทธบริษัท ผู้มีจิตศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคงต่อพระพุทธศาสนาได้เดินทางมาวัดเพื่อมาศึกษามาประพฤติมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอย่างยิ่งใหญ่ไม่มีผู้ใดมีความวิเศษ มีคุณวิเศษเท่ากับพระพุทธเจ้าพราะมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวที่สามารถศึกษาและปฏิบัติด้วยตนเองจนตัสรู้เป็นพระอาหารหันตตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้นกิเลสโรคโกดลงเป็นผู้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เป็นผู้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงมีเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่จะมีความสามารถศึกษาและประพฤติปฏิบัติได้ด้วยตนเองผู้อื่นนั้นต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นก่อนแล้วประกาศพระธรรมคำสอนอย่างพวกเราทั้งหลายเป็นต้นถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอน เราจะไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้ว่าเราเวียนว่ายตายเกิดอยูยยอ่อย่างไม่รู้จักหยุดจักหย่อนอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นและไม่รู้ว่ามีการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมีการสิ้นสุดแห่งความทุกข์ทรมานใจทั้งหลายถ้าไม่มีพ่อพุทธเจ้ามาทรงสั่งสอน พวกเราก็จะวนเวียนอยู่ในวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดตายจากชาตินี้ก็จะไปเกิดใหม่ไปเกิดสูงบ้านต่ามบ้างตามอำนาจของบุญของกรรมที่เราได้ทำกันมาทั้งในอดีตและในปัจจุบันเราก็จะตายเกิดตายเกิด อยู่อย่างนี้ไปตลอดเวลามีความสุขเล็กๆน้อยๆแต่ส่วนใหญ่จะมีความทุกข์สีมากกว่าน้ำตาที่พวกเราต้องหลั่งออกมาจากความทุกข์ทรมานใจในแต่ละพพแต่ราชาตินี้ถ้ารวบรวมเก็บเอาไว้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรซิ คิดดูกันลกันว่าน้ำในมหาสมุทรนี้มากขนาดไหนแต่น้ำตาของพวกเราที่ร้องที่หลั่งออกมาจากความทุกข์ในแต่ละภพแต่ละชาตินั้นนีมากกว่าีิถ้าเอามารวมกันชาตินี้เราอาจจะร้องให้ซักน้ำตาซักแก้วหนึ่งเราก็เอามารวมรวมกันทุกภพทุกชาติท่านว่าภพชาติของเรานี้มันมากจนสามารถ สร้างน้ำตาให้มีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรสินั่นก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธเจา้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่จะสอนวิธีทําให้เรานั้นไม่ต้องหลั่งน้ำตาสอนวิธีที่ทาให้เราไม่ต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตาย ไปร้องห่มร้องไห้ไปเศร้าโศกเสียใจกับการพัดพรากจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยเราได้และจึงถือว่าเป็นบนวาสนาอย่างยิ่งของพวกเราที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนา เพราะเป็นสิ่งสองอย่างที่จำเป็นต่อการดับความทุกข์ทั้งหลายต่อการตัดการเวียนว่ายตายเกิดให้หมดไปจากจิตจากใจของเราเพราะพุทธศาสนามีความจาเป็นเพราะเป็นเหมือนแผนที่เป็นเหมือนผู้นำทางเวลาเราจะเดินทางไปตามสถานที่ ที่เราไม่เคยไปมาก่อนเราก็ต้องมีคนนําทางหรือมีแผนที่ถ้าไม่มีเราจะไม่รู้ว่าสถานที่เราต้องการจะไปนั้นไปอย่างไรอยู่ทิศไหนไปแล้วต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาที่ตรงไหนบ้างแต่ถ้ามีคนพาไปก็จะสบายเราก็เพียงแต่ตามเขาไป หรือถ้ามีแผนที่เราก็ไปตามแผนที่เราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้นี่คือพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนแผนที่เป็นเหมือนคนนาทางที่จะพาให้เราไปสู่พระนิพพานไปสู่ที่สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่มีคนนำทางไม่มีแผนที่ไม่มีพระพุทธเจ้า ไม่มีพระพุทธศาสนาพวกเราก็จะไม่รู้จักทางที่จะพาให้เราไปพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นเราต้องมีแผนที่มีพมีผู้นำทางและแผนที่หรือผู้นำทางนี้ก็ไม่ใช่จะมีอยู่ในทุกภพทุกชาติที่เราเกิดเพราะพระพุทธศาสนานั้น นานๆถึงจะได้มาปรากฏสักครั้งหนึ่งนานๆที่จะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุ้แล้วมาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัมโลกเวลาที่ว่างจากพระพุทธศาสนานี้เป็นเวลาที่ยาวมากเป็นกับเป็นกันทีเดียวส่วนเวลาหรืออายุของพระพุทธศาสนานี้สั้นมาก อย่างพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าทรงทานายไว้ว่าจะมีอายุไม่เกิน 5,000 ปีหลังจากนั้นแล้วก็จะหายสาบสูญไปคือจะไม่มีใครมาสั่งสอนพระธรรมคำสอนอีกต่อไปเพราะไม่มีใครสนใจศึกษาไม่มีใครสนใจบวชเรียนกัน เพราะความจเจริญทางโลกความจเจริญทางกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงจะทำให้คนค่อยห่างออกจากาศาสนาไปเรื่อยๆถ้าเราลองเปรียบเทียบดูสมัยก่อนกับสมัยนี้สมัยปู่ย่าตายายกับสมัยนี้คนจะเข้าวัดน้อยมากเมื่อเปรียบ ก, กับสมัยก่อน คนจะบวชเรียนกันก็น้อยมากสมัยก่อนนั้นถือเป็นธรรมเนียมถ้าเป็นผู้ชายอายุ20สก็จะต้องบวชเรียนกันอย่างน้อยก็หนึ่งพรรษาแต่สมัยนี้จะไม่ค่อยได้บวชเรียนกันเพราะความเจริญทางโลกความเจริญทางการศึกษาทางโลกเลยคิดว่าเรียนปริญญาจบปริญญา มีคุณประโยชน์กว่าบวชเรียนทางพระพุทธศาสนาและเมื่อเรียนจบก็ต้องรีบไปทำงานไปทำมาหากินก็จะไม่มีเวลารา ง, งานมาบวชสามเดือนมามามาบวชมาเรียนตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้จิตใจก็เลยมืดบอดไม่มีแสงสว่างนำทางจิตใจจึงมีแต่ความรุ่มร้อน มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเห็นแก่ตัวมีแต่ความโลภมีแต่ความโกรธสมัยก่อนนั้นเขาบวชกันแทบทุกคนผู้ชายที่เป็นชาวพุทธพออายุครบ20สก็จะบวชกันและญาติโยมก็จะเข้าวัดกันเป็นประจำทุกวันพระสมัยนี้คนสมัยนี้ไม่รู้จักวันพระวันโกนกัน รู้แต่วันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นเพราะเป็นวันหยุดของเขาแต่ส่วนวันพระวันโกนี้เขาไม่รู้ว่าเป็นวันอะไรเด็กสมัยนี้ถามว่ารู้จักวันพระวันโกนหรือเปล่าเขาบอกไม่รู้กันเพราะว่าจิตใจได้ถอยหา่างออกจากพระศาสนาแล้วก็เข้าไปสู่ความรู้ทางโลกเรียนความรู้ทางโลกที่เป็น ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือเป็นความรู้ที่จะไม่ช่วยดับความทุกข์ความวุ่นวายใจไม่ช่วยดับความโลภความโกรธความหลงแต่กลับเป็นความรู้ที่จะส่งเสริมความโลภความโกรธความหลงให้มีมากขึ้นส่งเสริมความทุกข์ความวุ่นวายใจให้มีมากขึ้นสังคมในปัจจุบัน มีคนมีการศึกษาสูงๆกันมากจบปริญญาตรีโทเอกก็มากจบระดับปวชปวสก็มากจบม .6 ก็มากแต่สังคมกลับเป็นสังคมที่มีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความวุ่นวายใจเพราะไม่มีธรรมะที่จะสอนให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันทุกวันนี้คุกตาราง น, นี้แทบจะลน้นแทบจะไม่พอเก็บคนที่ประพฤติผิดด้วยอำนาจของความโลภของความโกรธของความหลงเพราะไม่ได้ศึกษาไม่ได้บทเรียนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าได้ศึกษาได้บทเรียนจะรู้เหตุรู้ผลรู้ว่าการกระทาของตอนนี้ เป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขหรือความทุกข์ซึ่งจะนำมาซึ่งความเจริญหรือความเสือ่อมก็จะรู้จักวิธีปฏิบัติตนให้อยู่ในทํานองคลองธรรมให้ทําแต่บุญไม่ทําบาปให้กําจัดความโลภความโกรธความหลงให้เบาบาปหมไปเพราะความโลภความโกรธนี้ เป็นเหตุที่จะทําให้ไปทําบาปทํากรรมเวลาโลภมากๆถ้าไม่มีปัญญาซื้อของมาได้ก็ต้องไปปล้นไปจี้ไปลักไปขโมยเวลาโกรธมากๆก็จะถึงกับทำร้ายผู้อืน่นหรือฆ่าผู้อื่นได้แต่ถ้าได้ยินได้ฟังได้ศึกษาถึงโทษ ของการทำบาปทำกรรมว่ามีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจแล้วก็ต้องไปติดคุกติดตารางหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องไปอยู่แบบหลบหลบซ่อนๆและเมื่อตายไปก็ต้องไปใช้เวรใช้กรรมไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือไปตกนรกแล้วถ้าได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีเวรมีกรรมมา มารังควาต่ออนี่เป็นสิ่งที่พวกเราจะไม่ค่อยคิดกันไม่รู้กันแต่ถ้าเราได้เข้าวัดได้บวชได้เรียนได้ปฏิบัติเราจะเห็นอย่างชัดเจนว่าเวลาเราทำความดีใจของเรานี้มีความสุขมีความสบายเวลาเราทำบาปทำกรรมใจของเราจะมีความทุกมความวุ่นวายใจ มีความหวาดระแวงมีความหวาดกลัวจะเห็นได้ชัดแล้วเราจะรู้ว่าความสุขและความทุกนี้เกิดจากการกระทำของเราและผู้ที่รับก็คือใจของเรานี้เองรับทั้งในปัจจุบันในขณะที่มีชีวิตอยู่และรับหลังจากที่ตายไปแล้วเพราะใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเรานี่แหละเป็นผู้ไปเกิด เป็นผู้ไปเป็นเดระาชานเป็นผู้ไปตกนรกถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมแล้วเราจะมีฮิริโอตปะคือมีความละอายในการทําบาปและมีความกลัวการกระทำบาปเพราะรู้ผลที่จะตามมา <c oughs> เหมือนกับเรากลัวงูพิษเป็นต้นเรารู้ว่างูพิษนี้มีอันตรายอย่างไร ใครเห็นงูก็ไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้หรือถ้าตีได้ฆ่าได้ก็จะตีทันทีฆ่าทันทีเพราะรู้ว่างูพิษนี้เป็นอันตรายต่อชีวิตอย่างยิ่งแต่บาปกรรมเรากลับไม่กลัวกันทั้งๆ ท, ที่บาปกรรมนี้เป็นอันตรายยิ่งกว่างูพิษอีกหลายพันเท่าหลายหมื่นเท่าเพราะงูพิษอย่างมากก็ ทำให้ร่างกายนี้ตายไปแต่งูพิษไม่สามารถส่งใจให้ไปตกนรกให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานได้เหมือนกับบาปกรรมทำบาปทำกรรมนี้แล้วทำให้ร่างกายนี้ตายได้แล้วยังต้องส่งให้ร่างส่งให้ใจนี้ไปเกิดในอบายไปทุกขทรมานอย่างแสนสาหัสเป็นเวลาอันยาวนาน นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแต่พวกเราไม่เห็นกันเราเห็นแต่ร่างกายของเราแต่เราไม่เห็นใจถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราไม่นั่งสมาธิเราไม่เจริญวิปัสสนาเราจะไม่เห็นใจเราจะไม่รู้ว่าใจนี้เป็นผู้สร้างเวรสร้างกรรมและใจนี้เป็นผู้รับเวรรับกรรมเราจะไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์ เราจะไม่เห็นพบชาติของเทวดาของพรหมของพระอริยเจ้าจะไม่เห็นพบชาติของเปรตของนรกเพราะเหมือนคนหลับตานั่นเองแต่ถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นเหมือนการลืมตาขึ้นมามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นว่านารกมีจริงสวรรค์มีจริง การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงพบชาติในอบายมีจริงพบชาติในสุขคติมีจริงเทวดามีจริงพรหมมีจริงมรรคผลนิพานมีจริงเราจะเห็นอย่างชัดเจนเมื่อเราเห็นแล้วเราก็จะได้หลีกเลี่ยงการกระทาที่จะพาให้เราต้องไปใช้เวงใช้กรรมในอบาย เราจะทำแต่บุญเราจะสร้างแต่กุศลเพื่อที่จะได้พาให้เราไปสู่พระนิพพานที่สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างภาษาวงทั้งหลายที่ได้ศึกษาและได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ด, ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สุปฏิปันโนอุชุยายะสามีจิตปฏิปันโนจนได้บรรลุถึงพระนิพพานหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากการที่จะต้องไปเกิดในอบายไปใช้ววยใช้เวรใช้กรรมอย่างถาวรคือเมื่อถึงพระนิพพานแล้วบุญกรรมทั้งหลายก็จะไม่สามารถส่งผลให้แก่ จิตที่ถึงพระนิพพานได้แล้วมีแต่รับผลบุญอย่างเดียวรับผลบุญที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือความวิเศษของพระพุทธเจ้าที่จะมอบให้กับพวกเราถ้าพวกเราไม่มีพระพุทธเจ้าพวกเราก็จะไม่รู้เรื่องราวเหล่า น, นี้และจะไม่สามารถ พาให้พวกเราไปถึงจุดหมายที่เลิศที่วิเศษได้ถึงถือว่าเป็นบุญวาสนาอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจึงไม่ควรปล่อยให้พระพุทธศาสนานี้หลุดไปจากมือของเราเพราะพ่อพุทธศาสนานี้เป็นเหมือนเพชรนั่นเองพระรัตนไตรรัตนแต์แปลว่าเพชรแํา ไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าเพชรฉันใดพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ก็มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกเราเจอแล้วเราอย่ายโยนเพชรทิ้งไปเหมือนกับไก่ได้พลอยไก่นี้เขาจะคุย้ยเคี่ยหาหาไส้เดือนหาตัวหนอนเป็นอาหารรับประทานเวลาเขาคุ้ยเคี่ยไปเจอเพชรพหรือเจอพลอย เขาจะเขียยทิ้งไปเพราะไม่มีประโยชน์อะไรกับเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเพชพรพลอยนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าตัวไส้เดือนตัวหนอนพวกเราก็เป็นอย่างนั้นพวกเรามักจะไม่ค่อยสนใจกับพระพุทธศาสนามักจะเขียยเพชรคือพระพุทธศาสนานี้ทิ้งไปแล้วชอบหาตัวหนอนตัวไส้เดือน รับประทานกันตัวหนอนตัวไส้เดือนของพวกเราคืออะไรก็คือลาบยศสรเสริญสุขทางตาหูจมูกเิ้นกายนี้นี่คือตัวไส้เดือนตัวหนอนของพวกเราแต่เราไม่รู้ว่ามันไม่มีความวิเศษอย่างไรคือมันไม่สามารถที่จะช่วยยกใจของเราให้อยู่เหนือความทุกข์ได้มันไม่สามารถ พาให้ใจของเราไปสู่พระนิพพานได้แต่มันจะเป็นตัวคอยดึงให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยในภพใหญ่อย่างไม่รู้จักจบจากสิน้นมันให้ความสุขกับเราเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแต่ความทุกข์ที่มันให้กับเรานี้แสนสาหาัสที่เราร้องห่มร้องไห้กันทุกวันนี้ก็เพราะ เรามีความยึดติดมีความอยากได้ในลาบยศเสริญสุขนี้เองเราจึงเป็นเหมือนพวกไก่ที่ได้พลอยไม่สนใจเคลียร์ทิ้งไปแล้วก็หาแต่ตัวนอนตัวไส้เดือนมารับประทานประทานชีพไปวันวันหนึ่งเท่านั้นเองแล้วในที่สุดก็จะถูกเขาจับไปเชือดกินต่อไป พวกเราก็เหมือนกันเราแต่ละวันนี้ก็หาแต่ลาบยศเสริญสุขกันหาไปจนถึงวันแก่วันตายแล้วก็ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดใหม่แต่ถ้าเราเป็นคนฉลาดอย่างพระสาวกทั้งหลายที่พอได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนก็เห็นคุณค่าของพระศาสนาว่ามีค่ายิ่งกว่าลาบยศเสริญสุข เลยกล้าที่จะสละลาบยศสารเสริญสุขมีลาบยศสารเสริญสุขมากน้อยเพียงไรก็สละให้ผู้อื่นไปหมดแล้วก็ออกบวชออกบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อศึกษาพระธรรมคําสอนแล้วก็ปฏิบัติพระธรรมคําสอนจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์จนได้บรรลุพระนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิด ซึ่งมีจํานวนไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่รู้คุณค่าของพระพุทธศาสนาท่านเปรียบว่าคนที่รู้จักคุณค่าของศาสนานี้เหมือนกับเขาวัวเขาควายส่วนคนที่ไม่รู้จักคุณค่าของพระพุทธศาสนานี้เปรียบเหมือนขนวัวขนควายคือวัวตัวหนึ่งและควายตัวหนึ่งนี้ จะมีเขาได้เพียงสองอันเท่านั้นเองแต่มีขนเป็นร้อยเป็นพันนี่ก็คือคนที่มีดวงตาหรือมีปัญญาที่ฉลาดที่จะเห็นคุณค่าของพ่พุทธศาสนานั้นมีน้อยมากเหมือนเขาัวเขาควายส่วนคนที่ไม่เห็นคุณค่าของพระศาสนาแต่กลับเห็นคุณค่า ของลาบยศสริเสริญสุงนี้เป็นเหมือนขนวัวขนควายกันมีจํานวนมากนับไม่ถ้วนโลกเราจึงเต็มไปด้วยความทุกข์ความวุ่นวายใจกันมีคนบวชคนศึกษากันน้อยแล้วก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยเมื่อถึงห้าพันปีก็จะไม่มีใครศึกษาไม่มีใครสนใจมีแต่จะสนใจกับเรื่องลาบยศสริเสริญสุข แล้วก็มาเบียดเบียนกันมาฆ่าฟันกันจนไม่สามารถที่จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขได้เวลาออกจากบ้านแต่ละครั้งจะต้องมีอาวุธพกพาติดตัวไปไว้คอยคอยป้องกันตนอยู่บ้านก็ต้องมีคอยมียางคอยเฝ้าดูแลบ้านเพราะต่อไปจิตใจของคนจะเสื่อมลงไปเรื่อยถ้าไม่มีศาสนาแล้ว ต่อไปสังคมมนุษย์นี้ก็จะเป็นสังคมของเดรัจฉานไปเป็นสังคมของสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กเป็นสังคมของผู้ที่มีกำลังที่จะเบียดเบียนผู้ที่อ่อนแอกว่าเพราะในใจของคนไม่มีความเมตตาการุณาไม่มีฮิริโอตปะไม่มีความกลัวบาปไม่มีความละอายในการทำบาป เพราะไม่รู้ถึงผลของการทำบาปว่ารุนแรงอันตรายยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหลายในโลกนี้นี่ก็คื อ, คอเรื่องของพระพุทธศาสนาที่พวกเราได้มีบุญมีวาสนาได้มาพบจึงขออย่าให้ปล่อยพระพุทธศาสนานี้หลุดพ้นจากมือเราไปเราควรที่จะรีบตักตวงด้วยการศึกษา ด้วยการเข้าวัดอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆเอาหนังสือธรรมะไปอ่านเอาแผ่นซีดีไปฟังแล้วก็ไปปฏิบัติกันไปทำบุญให้ทานกันมากๆรักษาศีลกันให้มากๆแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันให้มากๆหัดนั่งสมาธิกันหัดพิจารณาธรรมพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่น พิจารณาว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาเกิดมาแล้วต้องพัดพากจากสิ่งทั้งหลายเป็นธรรมดาถ้าเราพิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ เ, เราจะได้ไม่หลงไม่โลภไม่อยากได้สิ่งต่างๆมากจนเกินไปเพราะเรารู้ว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายจากโลกนี้ไปตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้เอาเงินทองไปไม่ได้ เอาสามีเอาภรรยาไปไม่ได้เอาลูกเอาหลานเอาสิ่งต่างๆไปไม่ได้แล้วจะไปหามาไว้มากๆทำไมยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นเพราะต้องคอยดูแลรักษาต้องคอยห่วงต้องคอยห่วงแล้วก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้เวลาที่เขาจากเราไป <c oughs> ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้มีสติมีปัญญา ที่จะยับยั้งความโลภความอยากต่างๆให้น้อยลงไปแล้วเราจะได้มีเวลาที่จะมาทาบุญมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาสร้างสารณะที่พึ่งที่แท้จริงให้แก่ใจของเราแล้วใจของเราจะมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงภพชาติก็จะมีน้อยลงไป บาปกรรมที่จะต้องไปใช้ก็จะเหลือน้อยไปเรื่อยๆจนไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจของเรานี่ก็คือสิ่งที่เราควรที่จะตักตวงและไม่มีใครสามารถตักตวงได้นอกจากมนุษย์เท่านั้นถ้าเราไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะไม่มีโอกาสที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมได้เพราะเราจะไม่เข้าใจ คำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองเช่นสุนับที่มาอยู่ในวัดนี้เป็นต้นเขาไม่มีโอกาสที่จะได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนเขาจะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทำอะไรเขาก็จะไม่ได้รับประโยชน์พวกเรานี้เป็นพวกที่มีโชควาสนาสองต่อด้วยกันสองเท่าด้วยกันคือได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเกิด มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าเราขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะสามารถพัฒนาจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ถ้าเรามีทั้งสองส่วนแล้วเราถือว่าเรามีมีเหตุมีปัจจัยครบบริบูรณ์แล้วจึงไม่มีเหตุผลอันใดที่จะปฏิเสธ ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติไม่น้อมเอาเพชรน้ำหนึ่งคือพระพุทธศาสนามาเข้าสู่ใจของเราเพื่อเราจะได้ตักตวงประโยชน์ประโยชน์อันเลิศอันประเสริฐนี้ได้อย่างเต็มที่จึ mm hmm. งขอให้เราพิจารณาอยู่เสมอว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่ เรากำลังตักตวงประโยชน์จากพระพุทธศาสนาหรือว่าเรากำลังตักตวงความโลภความโกรธความหลงให้มีมากขึ้นมาในใจเพื่อจะได้มาสร้างความทุกข์ให้มีมากขึ้นไปภายในใจถ้าเราไม่ตักตวงพระพุทธศาสนาเราก็ควรจะรีบตักตวงกันถ้าเราไม่นั่งสมาธิก็ควรจะนั่งกันถ้าเราไม่ รักษาศีลเราก็ควรจะรักษาศีลกันเพราะชีวิตของเราจะสั้นลงไปเรื่อยๆวันเวลาจะค่อยๆหมดไปชีวิตของเราจะค่อยๆหมดไปตา ม, ตามวันตามเวลาชีวิตของพวกเราก็เป็นเหมือนเทียนที่เราจุดนี่เองพอเราเริ่มจุดเทียนแล้วมันก็จะค่อยไหม้ไปเรื่อยๆไหม้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวไม่นานเทียนนั้นก็จะไหม้หมดไปชีวิตของเรา พอเกิดมาแล้วมันก็เริ่มนับถอยหลังครับวันเวลาที่จะมีเหลืออยู่ก็จะมีน้อยไปเรื่อยๆ เ, เราจึงไม่ควรประมาทนอนใจควรรีบตักตวงประโยชน์สุขจากพระพุทธศาสนา <c oughs> ให้ได้มากเท่าที่สุดเ <c oughs> ท่า <c oughs> ที่จะมากได้เพราะเมื่อเราแก่ลงไปมากขึ้นกำลังวังชาก็จะนะมีน้อยลงโรคภัยไข้เจ็บก็จะมีมากขึ้น จะทำให้การตักตวงการศึกษาการปฏิบัติเพราะธรรมคำสอนนี้ยากลำบากมากขึ้นจนไม่อยากจะปฏิบัติจนไม่อยากศึกษาเลยนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาและเรื่องของการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับเราเราได้สิ่งที่เลิศทสิ่งที่วิเศษทั้งทั้งสองส่วนแล้วอยู่ที่เราเท่านั้นว่า เราจะมาทำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับเราหรือไม่เท่านั้นเองจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติพระธรรมคำสอนให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา